เนี่นตอนน้นอ่วงดวงพ่อจนว่าแขนจอเ ก, กาะเกินนาําลายบ่ลงพ่อพ่อปั่นแขนดอกมากรังน่ะอ้ยนั่งกับหมองติ่งบ่ได้พ่อปั่นบ่วงบ่ามัดคอง อืมนะและยมเออยมโพดมาเงินเอากระดอกบอกเฮ้ยพบผัดม่เห็นนะละเป็ี่ยนกะเป็นเกินไปมากไม่บอกคือบ้านนะและจานบุญมีบอสมซื่อเจ้ามาคือเกินเพลนะเฝ้าอีหยังกะเดือกเนเงินกะมีดอกเดินบ้านบอกเคยท่านจอยแต่สตางนะและเตียวว่าขําเพลนอ่างเฝ้าไ่ว่าโอเค้ ว่าอเค่และเปล่าว่าคำบ่ตกลงโพดว่างุ่งเกินบานน่ะ จังว่าจานเลยจานอ่ะจานยังโน่เจ้าเบ า, บาอีกคำทาอีกอย่างดวงพ่อคิดบอถึงว่าสิดนนอกไ ด, ได้เสียเต็มนะทาละหมูไวยละพ่ดอ ย, ยกหัวอีกซําด้วยโนโ้ดวงพ่อละท้องสาแต่เกิดมาบอกเคยเห็นมาพบผ่านเอาตอนเหนียเนึกว่าเป็นคนดีผ่ามาเจอคนบาว่าจากับ บ่อเขาหอมนะเราผู้นึงเม็นผู้หนึ่งหอมไปคนไา้ตางคำด่าคำเบาว่าตางข้องว่าตางของ้องเงี่ยล่ะโอ้ ย, อยจานบุญมีเอือเงีย่ยแล้วพอจานบุญมีเออย่จาจะเบามาก ọn, หาย่องหาหยาบยำข้องสง ตัวเคยสูงคล่องผืนหม่มผาดืองมาแล้วอ่ะและเนว่ยวไรสีคลองอ้ยเนว่ยวไรเอียแล้วคนโยงบัวชาคุ้นมันจังเมีนอ่ะผู้ตแ ท, ทนพูตาา้ตาเจ้าเฮาทานนั่นถูกถูกคนดาถูกถูกคน่ะแล้วทูกเดือมีกรบวพ้่นนี่จะเขตความตายเดอยุ่มด้ออะแล้วยาสีมัวเริ่มดงมังีจนเื่มทางอ่ะ ตาบอ่อฟังหูบอ่อฝาผู้ไรจ่ากายฟังเนืละตายบ่มีไผแก่ไผบ่แ ว, ว่วเงี่ยมแล้วค่อยตูน่นันเดินคองว่าเดินค้องนะเออสิขาดพี่ขาดน้องค้นบอ่อทองนันเที่ยวหา และยาถ่อนางให้ฟ mm ัง hmm. ฉันเสื้อคำฉันบ้างและมานำทางยะนี hmm. hmm. ้ทางป่าจะนีหันทางให้เห็นทางที่เคยย่างและทางเคยเดินให้เจ้าหูหัวหน่อยให้รับฟังนะและส่วนดื้อดีให้เจ้าตั้งให้เจ้าสั่งลุงดูเด้อพอจัเด้อละดูความจริงให้เศร้าสายยาสิจ่าทางลายให้มาใหม่ทาสา ทางทั้งกุศลเป็นบอนไต่เจ้ายาเอาตั้งแต่ใจตู่เดินไถปาดเดินคองพุ่งพ่องบ่อนับถือและการทําบุญบ่ได้ซื้อบ่ได้จากนั่นเป็นสัทธางนั่นล่ะอาตมาแต่เพียงขอผู้ที่ท่านกับท่านได้ใจบ่ใสกัเส้าเว้าย้มบ่ท่านกับบ่เอาบอ่ต้องเว้าเรื่องดอกคนอื่นและคือ ติดต่อค้ำปากเบาส่งเจ้าสีเก่าสีและโยมบุญนิเอ เอ่ยเน่โอยโยมบุญมีเอ่ยพระกับโยมบ้านี้จะต้องเพิงอาศัยกันนะและ้วคือจังขันกับไหวต้องเพิงพิงอาศัยน้ำะและ้วคือจังสามกับถวยอาศัยกันย้ำใสปวนะแล้วคนอาศัยผีน้องบัดย้มไข่ดอกปวยไป่แล้วบ่มีไผ่ดีเวีนเข้าต้องอาศัยกันและโยม และคือจังฉันใสศัยมบาทว่าจังคงได้นละและสิ่งพูดไปมันดีบ่้วมอย่าพูดขัดโอฉันขอใบให้เสวก่อนละนทท้วมบ่ทาบาตรตามกาบ่หอนให้่อนเบาเรื่องบอ่ดีละแ ล, ละนับตั้งเตะเมื่อนี่ยาประมาทในทั้งสง และยืมบ่อปงใจนําไฟสันสิเศร้าบาาและย oh. <l> ืมบ่อทานกบ่เอาเศร้ากันซาแต่วันนี้ตายเป็นผีกาบ่เบงนะและเอ้อถือปัญญมนันเดือดฟ้าสาเลอเจ้านล่ะละพอกาุมนัละพอกา กายน y เอย n y m บวธาอันดาตามากกับบเอาเศ้าสาวบแต่วันนี่ตายเป็นผีกับบเบิงถ้าญ ymph พอนั่นว่าเดิร์ดฝ่าซาเดิร์เจ้าเท่าตื่นไถ่บวทอดด้วยก็ขี้แยที่ล้วงพอกับบวเขียดแต่ว่าบวพอใจจีอืมโอ้ยแค่บวออกเงินซอยนี่ก็บบวพอใจชันบวเดียงหนิจะมาหาเรื่องหาราวแท้พระบวหาลายน y ม p h บวพ่อใจกับยาท่านสันลาบบวเป็นอย่างดอกอ เดิมจานบุญมีผู้คนเท่าเมาน้าไวจ้จนลืมแกแล่บอ ย, ยินตาบอแจงนางหลังหน้าดอกคาได้พ่อใหญ่อื้อน้ ไพสีเบ hmm. ้ากะบ่อใดเท่าบ่อใสใจซาสีเอิญหมากะตำใจบ่อใสคำเอกคุณเบ่าอ่ำเขามีกินเงินมีใสบ่อได้ไปขอผู้ใดไพสีเบ้ากะบ่อตรุ่โอ้ยจะเป็นบ่อตรุ่บ่อมีไพมารวยเลื่อนจานบุญมีนอตอก่อยสีจ้าปล่อยกะสร้างเขากะสร้างเข่า นสิท hey, ําอย่างกสร้างเจ้าบ่เบาหวาดอกแนวใดสิทํามาอย่างกระทำไปบอกเกี้ยวอย่างกับทางนี่นะจานบุญมีคือโตัวไข่อ้าวจานบุญมีคือโตัวอย่ยามาจ่าดอกเบาอ้อยท่านหลวงพ่อเอ้ยท่านอย่ามาล้อคอยคอยบ่ทําดอกย่าเบาสาลาเจ้าซอยบ่ไหว คำบุกี้ผมว่าใบกบแปลวา่าบอกต๊กลงุงเงินในตรงจะมาวังพอบ่เห็นดีด้วยไัยเห็นงามเมเขาสวยล้วงคุณไปสลวงพร อ, อ้าวก็สราราขุดนำบ่าว่านั่นเป็นคำอ่างของปายสูง ใไ้เป็นอย่างเป็นองค์เชื้ทํทำลวดเชื้ททำอุยเหตมาเหตมานั้นจนพอเพยียงแต่บวบวชเรียนดอกมาแล้วนะ แนวได้ทำจนเบิดเกี่ยงบ่มีภัย่าดีดอก<บ>คิดบ่ออกสอกบ่พออันคำย่องดอกวา่าดีนําบ่เคยย่องดีดีมีแต่เหยียบกับยามาอ้าวพ่อป้าน้ำแช้งใจเรื่องบุญสิเศร้าไ้ใจบ่ใสแต่ข้าวพุนสึกออกมาผมเลยเบื่อเมียมาทานไข่กะายเสียดแบ่งดอกคาแห้งดอกคาแห้ง อ้าวบอแมนผมนี่กันแก่งหาเดืองใส่ยันเสียเงินเชิญทำไปบอออนโซอนบอสะอ่อนดอกนำทานเมล้าสิมีจ้กสิบลานบอขอทานเก็บไปก้อนเก็บไปเปลี่ยนก้อนก่อนสีดีล้นกว่วแบ่งทานกวัวแบ่งทาน โ ย, ยมเอยอยูมพวกเจ้าเป็นเพื่อนบ้านเหมือนท่านไปหรือยังกันเชิญเจ้าทานน้ำหลวงเชิญเจ้าทานนำ้ำหลวงตาหลวงขอทองสาขอร้องร้องมาทำร้องมาสั่งวางเงินไปดอกแจกหวานแต่ว่าข่ขยสีบอทาน แม่แต่บาทแลเบียสิเก็บไว้ถ้ามังมีนีน่นะ ละพัวฟังเอ้ยไข่อยสีเบาจังสี่ม็นสั่งโหลดกะสั่งสาบาหัวซาดอกคำโกนม็นสิจ่าบอเคยงอนพอกันที่บอทำแล้วแถวคนฟังอย่าเป่าวานาขอโทษเดือหลวงตาผมย่อมือเรื่องก็ร่างแต่ต่างนั่นไข่บอท่านไข่บอท่านโอ้เ้าดีเนาะพอจรย์เนาะ กะดีป่านนี่แหละเนาะแต่เมื่อต่างนั้นละวอท้านละว่าสิ่ยบ่ายบายเขาพาเนาะสนับสนุนอยู่แต่ว่าเงินนั้น เอาไวบไกอนจำทีิพรที่หลังโอ้ถ้าบุญพรก็มี่สันบอกเอากรให้พิจารณนาบึงกอนถลานอห่าลังเชื่อ ว, วัดเครื่องหนึ่งกรรมาการเถืองหนึ่งออไปคชือหจะมันคิดหลายนอพ่อจานนอสิีหาเอ า, าใ<ห>ว่าใบ<ป>รานี่ยังบอท่านท่านนะจะบอกให้เออเอ า, เอ า, เอาขอโทษเด้วยอกนี่ขอโทษด้วยพวกเพื่อนบ้า น, น ยาสวาจาริ์บุญมีไพสิดีกะดีไปสว่วนว่าฉันบอกเคยงอนเอาอละน้อยาบาโยมนีเกินดูเกินคำคูเกินคำทานหลวงพ่อทองสาเอ้นน้ำแต่ว่าผมสีบอดท่านเมียแต่เงินนอบาทเบียน โอ้ยกันข้าวนานจังคอยดูตาลาเจ้าซอยบ่อให่เดินนู อจังใดจังไดเชื่อนี่ก็ขอให้ผ่านไปสักวันนอทรวงพ่อนอกขั้นแม่นเออขั้นแม่นผมบ า, ายเจียรกรเอาไปโอกาสนกหนากาแเล้วงการโดยหลวงพ่อเดินนี่แหละพ่อจานเลยอาตมานี่ยมบวธาณ า, าตมากับบาววบววาดอกเจ้าบวธาณ า, าตมากับบววาเตว่าเรื่องสาละของอาตมานี่ กาสื่อางว่างรางาก่อโคองกนันสันดขอบใจขอบคุณได้หลายเรืยอที่พ่อจันเบาวามจริงกับอตาตมาหวหลวงพอ่อเอ้ยโอกาสมีขา้างหน้าถ้าผมมีสัทธาคงสิ่อใดสางซอยอยูดอกเออแต่ว่าตอนนี้สิให้ซอยอยู่บางแต่เพียงหน่อยก็บร้ายดอกขาดขาจังสันอืกระเทิญนมาวัดทางเธอขั้นสี่บ่อซอยมัน่นกสิคงสีบ่เป็น การมควรปันใดแม่บอกตอนไหนแม่ไหนวัดอ่าไก่เจ้าบ้านเจ้ากระไก่วัดจังสบกินบอทากันเดินได้มากนี่มันเดิกระดืนแร้วมันเทียเถี่ยวเนาะเอาขาจังแขนรวงพอเอ้ยโอ้สิบ้าจังบ้าสีทานมาแม่บาทนี่ อันคิดท่านตัวบันี้เออคัดบ่ท่านเดียวเด้อให้หาเงินก่อนหวยจ้สี่พ่ได้โจกติเออจังสั่นตัวพ่อจ่านมาจังสีสมเป็นจีนเป็นจ่านข้ามบาโอเคกัแเปย์วตกลงสั่นตัวโอครับเออจ้างสั่นละวงวายุแขวงวาเจ้าสีเ้าเด่อยู่พ่อจานเยวไเงินนันจังสสุ่มิีสุ่จันทร์สอบม่ดีเียมต่อจากท่างอยู่ห่ได้จังสั่นจังสีเล่าคนน่ร้อเออนับนับนบแปดิหาบเออสั่นตัว อ้ารอยเออจักพันหาน้านน่านนับขึ้นนับขื่นสองพันโอ้ยบดได้เถอะเจ้าเว่าเด่นก็ข่อยซืสื่อสองพันาน่านสองพันหาทบาทโอ้ให้มันทองเขาเด้อเอยังกี่หลมันจัก3 0 0พันเด้อพอเด้อมีควบปอนด์อะ่ามพันมาหนิเมเอาท่านบอกว่ันผมขอท่านนำเอาท่านนำท่านนำยี่ิบบาทฮะ20ิบาท กี่คิบบามาวมสร้างวารถลระพ่อจานบุญมี่อันเจ้านับต้องพันสีพันหาจนหอดสองพันหาบาทจิท่านสร้างท่านยี่สี่บาทดันบอก โอ็ท่านยี่สิบบาทระดวงพอมือนี้ผมมิรัท่าทอนีเอาไปยี่สิบบาทนี่ระดวงพอเอาทํานี่ก็เทศบุญคือกันทานคือการนั่นระดวงพออยู่อโยมเอ้ยขั้นสิี่านั่นเอาจังสี่สายโยมพอเอ้ยเอาจังไดญอีกเจ้ยวนึ่งบอกมาบอกมันสุดสุดพอดับเงินกอนรับเงินก็ยี่สิบบาทยี่สิบกับส่าวบาทกันเดียวกันนั่นระดวงพอใครบ่หันดับดอกยมพอเงินยี่สิบบาทของเจ้านั่นเก็บไว้ซะก่อนเด้อ ล่อไวให้เจ้าตายซะก่อนจะคอยท่านที่หลังอาวุหมันสิบบ่ลาบสวยตัวโน่มาจะมาเบาจังขี่จมาเบาคือแมวถือหลวงพ่อมากระมามาหลุดมาจาไดนก็สร้างถ่อมเองสร้างวาเาจังสันยี่สิบาทสิบ่เอาวัดจีสิรอดเอาบัตรตอนตายวัดีเออขันหลวงพ่อเบาจังสันก็สอรีเสียใจนั่น ยจะสวังว่าชิดใดบางสกุลน้ำจานบุญมีชาสตรนี่ทั้งชาสตร์นอไปชาติหนาปุา่นกระบอกต้องเอาบอ่อต้องได้ดอกมแต่หลวงพ่อนั่นชิเดชสมองเถิงเดชสมุรีตายก่อนจานบุญมีนานแม่นผมตายแม่นผมตายผมท่านหลวงพ่อชีเว่าจังสรรแม่นผมตา ย, ม ผ, มตายผมก็จิบอให้เขาเอามัเผาวัดนี่ดอกท่ า, านว่าจังสรร ขันผู้ใดห้ า, า, หามผมมาบังคุชิตโจนลงเบึงบัว่าหาเพราะสิเก์ไสรถผมามาุนหวานมากหัวให้ปายหน้าจานบุญมีมีบื่อืดบ่อยากอืจิไปอยู่น้าหัวให้ปลายหน้าดอกขันเม่นพ่อพระจังชี่เบาจังชี่ดูถูกขอเงินยี่สิบาทชันบ่อชันโอ้ยบอ่อเปนข่อยว่าดูถูกมันบ่สมฐานะเจ้ากระคนไก่ว่าไก่ว่าเป็นที่เป็นจนันซื้อท่อสร้างสิเมตรหา ง, า ง, างท่งทอแมวนี่มันสิเจ้าไหนจังไหนล่ะพ่อจันบุญมี ด้วยบ่ด้วยกระ้างกันนังมัมีศรัทธาทนีมีศรัทธาบาทเดียวกระสีทําบาทเดียวนั่นมันบ่อเดือดร้อนผู้อื่นบ่เดือดร้อนเจ้าของมันก็ใช่ได้แต่บ่แม็นจีลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากาสอนการเรียนอยู่มันบ่อสมนี่ล่ะมันบอกคือจังว่าขอกระสีรับอยู่แต่ว่าเอาไว้ให้เจ้าตายสักวันจังมัธทัณมันกระสีพ้นสายได้ไหม ก็จะห้องแห้งไหนที่มันเดือดเดือนไหนด้หาทุ่มไหนได้หนิคัศิวะากรรมโยมตีกันพระได้ว่าวมันแพะได้ว้าวหนิอันนี้โยมได้หีิคัศพระเฒ้าจังท่นมันหมายความว่าจังไดหลวงพ่อว่ามันเข็ดมันขวงมันปากเข็ดปากขวางําได้โอ้ว่าแล้วเนาะอันเอยเฒ้าจังเฒ่าหนิทายคัศิบุคข์เขามาวัดมาว่าเสถียรฟังบอกคัณหลวงพ่อดูถูกเงินกี่สิบบาทผมปากจังสีผมกะชิคิดเชนตายคือกันมันตายคัศิบุคข์เผววัดหนิ 哇。 ฟังเบาจังเบาหนิขั้นเป็นทิดเป็นจันขั้นว่าบอเข่าวัดกระสิบอกเข่าวัดหอดมือไตเพื่อนบ่นี่มาบาเบาบาหูเรื่องไปเห็นอยู่ไหอยู่ไห้อยู่หน้าเห็จใจไหนมูพวกสิไปจูดไปจีมันสียากบว่าน้าถ่วงอยู่ฝุ่นไปนั่งกระชงตายไปแล้วกระชายไปซื้อซื้อดอกผู้ใดบดถามเอาไปเผาไปฝังแบบมันเหม็นอยู่หันหัมันบดดมอยู่หันมันบดซื้อดอกพาไปกวดกุศลากะยากตายหล้วก็ยังเห้นมูหยาจุกฝนไม่จองเลยไม่ต้องไปสวดกุศลาร์เลยจะได้เงินสองได้อยี่สิบบาท โอ้ยนอเพลนว่าแฮงไห่แห okay? ้ง <GPU> ม <forgive> ีด <finger music beforehand> ้วยพอจาย์แห้งขีดที่แหงเบื่แหงเกลี่ยงแห้งเสียงตัวเฮ็ดง่ายหลวงขอบ่อตรองเมาเบ้าดองผมการบุญมีนี่บวชมาเป็นเจ้าอาวาสจุวัดนี่ตั้งยี่สิบกว่าปีตั้งแต่เป็นเน้นความเป็นพระพุ้น่ะบ่ต้องมาหนี้ดอกบ่ต้องมาสอนแค่ให้ร้อยน้าดอกไอ้ยังก็หูปัดตัวบุญนั่นหัวดําก่นกันตัวบาปนั่นหัวโดนห้มเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุดยุดยุดเดี๋ยวนี่พ่อจานบุญมี ว่าเครืองว่านี่เจ้าดูถูกพระเมนบอกเจาดูถูกมองด่ีเดียวเจ้าว่าหัวโดนอย่างก่อนนึงหันหัวโดนห่มเหลืองหัวโดนห่มเหลืองแม่มันตัยังมันเปวย่างเอาเดี๋ยวนี้แหละปรยฟังเดี๋ยวนี้บอกไข่ฟังชัดๆเดเจ้าว่าข่มนบหัวุตัวเด้อเจ้าว่าหัวหแ้เนันเก่งจิงนั่นล่องว้าเบิ่งโตบุญนั่นโตหัวดำโคนการนั่นแปวย่างโตบาปนั่นหัวโดนห่มเหลืองมันปีว่านี่เราหยุดยุเจ้าว่าหัวโดนห่มแล้วโตบาปเจ้าว เป็นย yeah, oui> ันจังหวะไข่โตบาไข่สีบ๊วยหงออมเจ้าเด้อเจ้าเป็นทีเป็นจาสอมาดูถูกศาสตสนามาดูถูกพระสงฆ์โองค้าเอาบ้องหูเดวเอาบ้องหูเจ้าเบามามแต่จังไรเบามามแล้วเผืนผ้าเบาจังสี ท่านหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อก็อธิบายขยายออกมาตี่เราท่านเก่งทำมาเก่งนั่นน่ะนี่ลรเพิินวาน้อมีตาบวชชื่อเสือบวชกินข้าวุกเสียข้าวานบวชขี่เสืทานชื่อเสือบวชแล้วไปเฮ็ดหน้าอายุตีเออก็เฮ็ดหน้ตัวเราเฮ็ดหน้าเรเห็นผู้ใดบวชแล้วไปขายักขายยาไปจัดโต๊ะกินได้ล่ะบ่ยไปเฮ็ดหน้าคนผ่านผานไปหาผิดพุนบั๊ย โอ้ยเขาว่านั่นตัวนั้งก่ออันตัวอันบุญนั่นหัวดํากลดการไม่ได้แก็บเพิงม้าเกี้ยวยังกับเพิงใ่้เกี้ยวเพิงตัวย่ำเขาวันสาจังสีไปเอาเพิงมาตุม่มมาให้มาสีเป็นเทียนไปแต่ไตแตสงสว่างบูชาพระรัตน์ไต่ตจกักบ อ, อนั่นแหละเขาว่าเพลิงนเนี่เป็นโตบุญโอเพิงเป็นโตบุญเออ เ, เอาเพิงเอายังเข้ามาสีนั่นเอาเพลิง โตบาปเดือหันนี่โตบาปมาจาไกไนก่อนดืหันโตบาปนั่นหวัวหลนห่มเหลืองหวัหวหล่นห่มเหลืองนั่นก็<ม>คือผสองค์้าเจ้าเฮ้านีละนั่นละนั่นละเอาอย่าเฝ้าเข้าใจพิษฟังหลวงพ่อเบ้าซอกวันนี้เอาเอาฟังเลยนี่นี่บกพระอาชิดแทงจานสัอันอันจานเฮงหายเสี่ยงหน่อยสากระเบือพนบาสิชัวไปจังไห้จะจบอะไรนี่เพ่อว่าโตบาโตบาปนี่คือพา คือเพื่อนเป็นบุญนี่ล่ะเข้าไปนางไก่ไม่ออกด้วยว่าเล็กหน่อยมาไกล่มายังเข้านี่เพื่อนกะว่าจะไปไก่ดูกลาไมนสิเป็นบาปสันดิ์พูนยาผูนยิ่งไม่ออกเข้าคือกันมานางไก่เพื่อนมาส่วนเพิ่นกะว่าเป็นบาปนี่แหละเอื่นว่าโตบาปเนี่นะบาปเนีนี้หมายถึงการกระทําของงาดโน้แมนย่ามาไก่บ๊อยากถืกจ้องบ๊อยากไปไก่พาแมนบาปบ๊อดีแมนจีเออเข้าใจด้อ้โหมันโตบาปผ้าที่จังสันจังสันโหมันโตช่วยได้โอถ้าจังสันกับคอท์ เออโอ้ยดังเมียบกเกาในเม่ไปไปเุกคนโอ้ยเอาเอาถ้าจังฉันผมก็จะจื้อเอาเออจื้อเอาจาเอาสมปิธิเป็นจันในเม่โน่สมอันเบาจังเ้าจืดลาบบาเงินยี่สิบาทยีสบาทนี่ะเอาใบซาก่อนหยังบอกให้ลาบซากันเออใส่กระเป๋าใบซาก่อนอืมเอาใช่นี่แหละกระเป๋านี่แหละลุงอีดีไว้ไม่อยากได้ก็ดีคือกันลาบก็จ้องเกืองหนามึงที่ละเอ้า ข้าสั่นดกะซีเศร้าเบาน้ำเจิเาเบาไปเมื่อกะซีเียซื่อๆเด้อพออาจารย์เด้อเจ๋เมื่อสากับเมื่อบ้านเมื่อซองสาสันเมื่อกะซีเมื่อตัวมันเด้อดินแล้วเงขึ้นทั้งหนีบอดได้ยูวัดแต่ละเออหน่อยก็แม่นยูสิเมื่อคืนนีมันพ่านี่บ่ยนนี่ดูเอาดูเอาไขยางตัวก็ดูเอาเือก่อนเด้อผ่โอ้บังอานโอ้ยนี่แหละพออาจารย์เอ้ยเถื่อว่าดีเกินบ้านเถือว่าโตนั่นเกินเพลนถอนพออาจารย์ พ่อปันบินเวิรนได้พ่อปันขี่ได้ดังเกียรสันบอนอหนอหนอน อ, น อ, นอคือว่าแต่จะของคักแถวนนอนี่หละโยมผู้ฟังเอ้ยให้ปวดตังเอาจิตยังลงฟังดูเพิ่นแย่คู่จานท่องสาปากบอเป็นข้าข้างท่างเคยเที่ยวมาตันทางขาติดตังมือมัดศอกถึกมัดนอกแขนจกกอกอดวงตาเท่าไดนังงงจานบุญมีผู้กระดางบอย่อมเอยทำตาม เท่าปาน้ำท่างสงไฟโตจนใจหน่อยค่อยแต่อค่อยถารูเดอ้อทานอีกบอน้านถาค่อยเบิงเหิงบ่เหิงห่างสีหูบักค่อยตู่สีเดินไถ่คำโบราณนเพิินกาวไวเนี่ยปา่าเดินข้องบัดตัดเป็นตอนห้อนรงจังสีเห็นไล่เส้นจ่อง้อไปฟั่งท่างกำจานบุญมี่อีกเธอหนึ่งพึ่งสีสานึกพอ่อเห็นขอบอนเป็น สามเดือนกายได้ดวงเว่นมาเป็นปว่วยซวยถึงโต๊ะข้าวเคาะข้าเว่นบอนเป็นบอเห็นหูฟังเบงดูตอนนี้จานบุญมีได้หลงโอสมนำนาเทนอุ้งป่าบ่อซองดูเสิ้นโยมเจ้าได้รับฟังแานนี้ ละยมยมโยมมันมาจ่าเบื้องอีกขางเบ้ากันไม่จานบุญนี้จานบุญนี้ตัวเก่งเรียนลีทานในถึงทีย ฟังไงดีเดือทานคณาจา์พวะพวกท่านพวกคูบาอาจารย์เคยศึกษาอันรูวขงเห็นหู่ดอกเชี่ยของอนามยาเป็นคนที่มักยองทางเคยท่องดอกเที่ยวเดืนอนยาสะเพริ่นดอกลืมหลวงไอ้เสือตรงดอกข้องเข่ายาสะเมาดอกลืมถิมสะนิมกิน จนว่าเปืือยเชีดบ่ทันอันบ่พอพออยากห้องให้หาดูงนน บาดย้ำฝ้าห้องโป่งจังขีดหอดย้ำหน้าย้ำป่วยมาหน้ามาหมอบ่แม่นเปล่งแถลงเบาบาดนิ้หัวบาดย้ำง่ายย้ำเศร้าบาดย้ำเหงาดอกย้ำเศร้าถามน้าส่งดอกองค์ถามน้าบาดย้ำชวนขึ้นสู่บ้านจังถามทานทานเจ้ายหน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 ลายอมเอ้อยยอมบ่อยากเบ้าเรื่องที่ลายมันแหน่งนายดอกสิงสังน้าตาพังบาดเ ข, ข้าจนชิดเหียนคํำแต่เข้าเกียนลาพอไนเอ้อยมาสร้างเปลี่ยนแทโนโนีจานบุญมีได้ฟังเบืองเถียงบร น, น, นําดอกเพลายบ่เห็นนาดอกเพื่อนพวงบาดนิ้ ซาตานวงนไดโนซอร์ินแลกลับบอลเดินโน <c oughs> อยค่อยเป็นอย่างนีงน้นออันนี้ว่าแมนเป็นเล่นเลนค่อยเป็นอีตัวนี้โอ้ยผู้หนึ่งเป็นจิตใจผู้หนึ่งจิเม้าหวาขวัญยุติ โอ้โอโออยลายเดือนมาได้ผ่านถอนอาการ่อนดอกตัางหลังอาการเจ็บนั่นบ่อยครั้งแจ่บ่วดนางให้คุนเดียนย้ำเจ็บเป็นกินยากะเล่าหายเป็นเข้าวขัง ลาฟางการชาวควางเดาเจ็บบักแอวขึ้นบ้าเลยเจ็บลงไปหอดท้องเมากลุ่มขึ้นแท้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าก่า่าฮ่า่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่่่่า่่า่ หาซื้งแต่ยาปวดหายท่านใจมากินมันก็คือบ่อช่วงบอ่งบอชาวนาโอ้โอ้ยจีบไปเบิดตลอดนนจินจีบไปหอดสะพังไก่หัวฟังเอ้อ อ้างกว่าตายแต่ปิดบังบ่บอกเมียไงหวนผู้ไปใจนอเท่าฉีเท่าฉีเออเจ้าจะมาเห็นข่อยเวลานี้เด้อ ลวงตัวเปลี um, ่ยนการแยมแต่กว่ามีสิซ้ำาติมนะเชื่อื่มเงาไหลออกนาเด็กาวบาดอยู่ผู้เดียวโอเคโอ้อ้้ห้สิเอื่มก็บบ่เอื่มสิโจดกับบ่โตด ล่ะปัวฟังเอ้ความเจ็บเป็นมันสร้างมากดเจียวสส้างมาเกียวจานบุญมีกูบดีมีต้มไปสร้างบ่าป็นอาการนี่เเด้อหมาจะมาเอาเด้อเวลาหนีกูจับแหลกขูเด้อ พ, พัวข้าผีสังบ่ามากินไข่ละมากินตาบกินไตผีไข่ให้มันสู ง, งโวยดีโนมากกอกขากโคนนีจากจานในเราเกี่ยงให้เพียงอ้วนดอกใหญ่ผี นับตังเต้านั้นชวนมาหอดมือเนียบุญมีจอยดอกสูพอมจังย้อมจากกับเนี่าแวมีบุญสีเอ๋ยแถว่าวิีจอยข่อยแน่แถว ชาวบุญสีเอ้เจ้าเคยดเห็นคนเป็นไข้อาการเปลียนจังใดอาการไข้คือ่ข้บ้าน ข่โหลดเจ็บอยู่ในโคไอ้ดังเบานนำโอ้ยไอ้บอกดังเบาบ่ย็นแจงเต็มที่แล้วยานบ่อไว้น้ำเงินที่เก็บหัวไว้บ่ใส่ใจยานมันหมดดินุไข่ออดเจ็บอุดปินบาบนสิหายก็คือเยน คนบอทันจ่ายหลวงพอคือมาไวแยเทนอหันีเนอโอ้ยจังใดก็จะเปล่าได้ยินทรมนีกันแสงถ่อผู้ขาโอ้ยเด่นเแม่บุญเสียเออ เต็มที่แล้วละเมีแนวใดซวยคอยเนื้ม่เท่าเอ้ยแก่จังใดจังสิพวนบ่ทนใดยานแต่ตาเออ โอ้โอ้โอ้โออนเดิมเถ่าเถ้ายายเต็มที่เดวล่ะข้าวนี้เถาเอ้ยเป็นมาดนกวอยบกกาบกินแต่ย้ายยู้จู้มือซื้อมาจากรานร้ายหล่นแตกกระบอกไข่ดอกเถ่ายายเอ้ย กินเฮ็ดนังซื่อเฮ้งเจ้าหนั้นมันขอนตายบ่เป็นเก็บบ่เป็นตัวฮู้วายยาสามตืมยาสืมตามคอยทอดเท่าเอ้ยท่าบุญจีเอ้ยบ่แมนเล็กบ่แมนแขางได้เท่า มันก็เจ็บมันก็เป็นตามธรรมดานะ่นแหละเท่าไปหายาเมืยค่อคยกินนี่ทอเท่าสีโอ๊ยบอกินกับบเป็นหนังตัวคนเกน่งกยังเทาชว่าเบนขี่โยทองฝ่าตัว <c oughs> ไอ้ทีนาะเท่ากับว่าไอ้นี่หละบพราม่นหัวดอกโอยเท่าเออขันคนลมเจ้าเจ้าเปล่าขามกาย คนบ่อท่านตายเจ้ายาเปล่าทชงเดือเท่าเดือาเปล่าหาโล่งไว้ถาอ่างจ่ายแล้วจังคลอยเผาคุณทอดเถ้าโอ้ยาเปล่ากันแหนกันแหนคอยทอดเถ่าชี้บางคาขากมาคือซองเป็นตาสีมะดอแทะบ๊อบแมนบ๊นเล่าเป็นอิริสติเม้นไงโอ้ยอาจารตายออกเป็นเศษท่นเนี่ย เป็นจังไดหอหนาไอเล็บอยู่บไว้แถวทำไมแถเอ้ยคอยคงจิบบไดแผกถินน้าเพ่นดอกแถวหันใจง่าาเด้อะด้าฝ่าเป็นงังเน้อเก่าชื่อเป็นชิดชิเป็นกหกัินพันหเกน เมนณะยายบุญเสพวาเตทนะได้ขาบางนาเคียงตากาอิลาญา้าวตาดือเท่าจานให้คอยอทน ว่าอยากใชเสียงหาบหายเงินจาแก็บไปใช้สือเอาน้ามูเพินจะเชื่งไมใช่แพ่อมยูใจขางเราไปเชื่อไปใจแข็งเราอยู่น้ามูนันละแม่เทาบังไดกขยไม่กัมองนันละพ่แม่ข่อยบมข่วยดอกข่อยตัวเจ้า อุย้ยเจ้านั่นพัวยเอาเรื่องเกินเป็นมานันเจ้าเบาอ่ำอึองอยู่ผู้เดียวเงินนั่นเจ้าควานเขียวย่านบะมังมีหลายเป็นสิตายบะย้อมภากจานบะมีเกินบ้านละลูกและลานบะเคยเบามีแต่เฮาสองคนลูกและเต่าเข่าบะเหงินขอขวางเฮานั่นมี พ่อขวางอยูงข้านเขาอังเลาวบ่เคย v à าดอกเรื่องจนหัวไว้เลี้ยงว่ากัอันลกักนพันดอกทั้งหมดเจ้ากระอดบ่หางกินปล่อยมันให้หางเสียละเป็นจังเลยละข้าวนี่ย้มเจ็บเป็นเต็มทีทั้งข้าวเย่จุนโมเจ็บบ่ได้ปวดบ่ได้ไขยสิขันขา ไม่โจเขาจะมาบีบขา่อยเค็ดหนังโอ้โอ้โอ้โอๆเก็บแห้งแต่ทีบพ่อสูบคอยเปลี่ยนทานัางโอยมาไม่น้อเจ็บหาเมื่อ พ่าเท่าเอยขวาเสียเจ้านั่นจูจางดอกนำจัวน้ำโดนอดทนเดืออดทนไปยันสิตายด้อเจ้าล่ะเพ่ยอยู่นาวนันนี่นะสั่นเต็มที่ซอยสั่น จองพงทองย่อยดูดใจมมีพยศเสือคู่ ร, รักฝังฝังผีใจ ด, ดีอดทนเนาวยาสิทันใจน้อยหลัก่ขยสิ่ขยรักษาเจ้าหมทั่วใดเออไขยบ่ คอยจเจ้าจะลืมเงินท่อก็สอเด้อยเขาเหตุบุญแจกเขาหาคอยแน่เด้อโอ้ยยาอยู่แต่เสียงาแม่เพยงทอดได้การเสีเสื่อความไงเจ้านั้นสวางเศร้าหมดทอได้คอยเบาเบาเจ้ายังอยู่คอยพอใจฮะหมอทอได้กระจำย้อมชีวิตยังกะพอแล้วบ่ไม่ยัง ก็ตามแถวและแนวมีผัวก็พอให้น้ำข่อยเด้เด้อดเถ้าห้คนทั้งคนนจกัยาเจ้าสร้างข่อยเจ้าันขอเจ้าบ่ข่อยยันเจ้าบ่ให้น้าข่อยโอ้ยงตาผตาผามากว่าฝ่ามีผัวเวากระสือนซน ละยายบนเสียเด็ดแต่นางห้องหายไปจุ่มงมน้ำผัวยานละพวดใตนน้ป่าปล่อยโตให้เป็นฮะเถาลองไปตุ่มหากเครื่อตดหมาไม่ค่อยกินมันก็ได้เถาผัวพ้าทาง้าต่างละละวางโครงการนั่นเป็นเยิ น, น ผัวม่ถูกมีอุดใจผัวสดใสมีสิ่นหาวเลี้ยงต่าได้สิ้นส้มยามผัวเจ็บไหวลุนได้ซ้อมเบิงดอกดวกการแม่รังลบาดยำเปลนบ่เกิดเดนบัดยำหายม่รผได้กคืนเนีเปียสาม ลายโยเสวะโยติเก่าแล้เสาเลาวพานุจ่าเสนสลาพ่อขให้บอกอ่าเปียดบังเท่าจังเอ้ยวาเท่าเอ้ยจอมมือไปนิมนต์พระมาไววแต่เท่า ข่อยบอทัดแตยจะมาคือสาบแช่น็ได้เท่านั่นจะมาหาถามข่อยว่าเจ็บมองใดเจ็บไปเบิดเอาดเท่ายิ่งเห็นภามากจังที่ข่อยเจ็บข่อยปวดโอ๊ยมาขอบชีสวดกุศลได้เพาะว่ว่าเท่านี่แม้มันวังดีคือวังหลายครับข่อยเนาะ ปู again, ่ยพ่อแม่ตายแต่เหงาบ้างเพื่อนผัวท่อนั้นอาการเจ้าะเห้่วงเศร้าเท่าเอ้ยลูกขึ้นมากกินเข่าปีงแบบับไกลกำลังดีเพื่อนพอจะมาเหม็นเข่าเหม็นปีงตับไกลแต่เท้าวัดเจ้าจะกิหยังนะยังพอจะเหม็นไปเบิดน้ำได้ก็เหม็นเท่ <laughs> What? <boy. laughs> โอ้ยมีเลยแนค่ยข่หามาทั้งเจ้าผงบบกเน้าพร้อมนะให้เจ้าลองกินข้าวบอท่านโดนกะเสารดอกลุกขึ้นมาไข่สิปอนอย่านอนแหลงดอกเป่าไดา้แล้ควงม่เม็นลูกไล่ใข่ป่วยทร้รรดาต่าจานอื้อเนี่ยเพก็เป็นคือกันพ่อในพ่นกระเสา แล้วล่วแถวคุณนเหนือเพิ่นเป็นไข่หมอพาไตหัวใจหัวเพิ่นปวด้ า, ามามากแล้วเหลือเพียงเจ้าดอกผู้เรียวยา่อยต้ม่อยเขียวสดัวหนึงก็คงหายะเจ้าบตาให้ดีใจซึนสมแต่วันนี้ละล่า บนเสียประลมเรา่เอาใจผวนให้นซนเสือแ้แต่ทางในหักข่มเคลือนเฟือนอารมณ์ปากบอตายมาอ่วงเอาอามนุสันดอกนาแหละเมีย นั่นมันบะแมนโลกลายเพียงไข่ป่วยทั้มาดาพราะเถ่าเอ้ยไผ่ไผ่ก็คือการพอเถ่าพันก็เศร้าเร็วแถวคุ่มเหนือเพิ่งเปลี่ยนไข่หมอพัดใจหัวใจหัวเพิ่งปวดเศร้ามากแล้วเดีอเพียงเจ้าพูดเดี๋ยวเอาเอาอีกกินอีกจักรอหนึ่งก็คงจีหายดอกเพราะเถ่ามีโอ้ยเถ่าเอ้ยชื่อว่าอาการไข่บัว่าไผไผ่ก็คงได้เจอผ่าน ตายทุกคนนี้บ่พลที่ทนได้บ่อนจังไดเท่าเอ้ยไข่คือสิบบ่ใหญ่บ่ยื่นนำเจ้าดอกแม่เท่าพรัฒน์จานตายแน่แนเจ้าจะเฝ้าแต่เรื่องควัญตายข่อยสิียใช้ไผเมื่อบ่มิตนโตา เจ้าจะเชื่อเบาใ่อยตจหายใจขวมได้ทอดเท่านี่เอาลูกขึ้นมาสดอยาจับคัมเบิร์กคอยลูกไม่ไหวดอกเท่าเอาคอยสิจอมโอ้ยโอ้จะมาเจ็บกิ่งไปเบิดนบาดีเท่าใจเอ้ยโอ้ยคันคอยายแล้วเท่า พอที <l id sei> <c ười> ่ขอสังเจ้าบาขันข่ยตยไปแล้วไข่บ่อแพงดอกเงินนั่นเอาไปทำบุญเอาไปสัางชาราน้ำหลวงพอท้องชายข่ในเด้อดเถ่าแล้วก็เหลือนั่นแจกเข่าเห็ดบุญกรินแจกเขาไปรล้ข่อยเด้อเถ่าเอะพอเถ่าเออบาจิตายจังหวนหูทางบาดพันสามกอ จ้าหัวแม่หัวพอจังหัวพี่และน้องพ้องพ่องจังเอาหาโนะตแถวจานเอ้ยสงใจไข่ที่เป็นกรรมย้ำประจันจารดาแถวนั่นล่ะไข่ไปจาบตวงไข่ไปวาดวงพอจางๆนั่นน่ะกะเรื่องช้าล่นี่ล่ะแถเอ้ยคันไข่ขันข่ายไปขันเจ้าจิมีผัวใหม่กะเลือกบังดีดีเด้อจะเอาเด็พวกขี่เหล่า มันจะมาล้างมาผ่านเจ้าด้อเท้าเฮ้ยพอเอาพอตายแต่จะมุดเอาพัเกิดนพอเลยการเวลา ผ่านผายหมุนไปสับเปลี่ยนการเวลากาหมุนเวียนสับเปลี่ยนเดือนเดือนและมื่อได้งูคงอยู่บ่อสาวงามเชียเวทคนนั้นเรล่านับมือแก่ไปตามกาลอันนาสงคัญของคนบ่อยัวเยือ น, นดอกยาวได้เดี๋ยวกะเจ็บเดี๋ยวกะไข่มันเป็นไปตาม บางคือจังเลือดหยา่างแตกสลายดังลูกเพลืนนบ่ยืนได้เป็นเหมือนเปีด๊ดโน่นนจานบุญมีในเตือนียานถึงที่อับชาวอาเ ม, มานำคุ้มลงไหลนึกว่าตัวซื้อเกนบ้าน ลาบอกินทานวัดบ่อเข่าเมาน้ำต้นคยบวดอันน้ำเลือยบอกินบ่ทานหยาดวงวันกะบ่อเเววเลืยเสาเข่าดอกวัดบางลาค้ดตั้งหลายเข่าก้าวเว้าเอื้นดำจานหลวงพี่น้ำจานบัณฑิตบอยนับนัวนัวนัวนัวนัวนวนัวนั ตู้เรือนนาไทยไพ่กะเบาตู้เรือนเขา้าไพนั่นเขากะวานาตู้เรือนขาดเรือนน้าปาดเรื่มควงป้เจ้าคนเขาเบาอยู่ทั่วเมืองสว่าบาตู้ที่หูเรื่องบาดย้มแก่เกินสายเดนอน อเดนบาดใกล้ตายจังมองเห็นบาดตัวเป็นคนเบาหมองกะหมองสาวกะสาวมีซ้อนห้าโได้เบากันโต แม่บุญเสียเอ้ยขาดพี่น้องแม่พอไผบ่มองเบิงซ้ำนักกรรมลื้ต้องเท่าโอจานนาำ่อยเป็นคนที่เลื่อนบานจานหรือมีทของเดือมตูบ่เสริมของวัดจึงมาจิงดอกจำจรสวมลานัวบุญมีเท่าต้องอับเจ้า ตบ่ฟังเอ้ยบ่มีคนดูเละก่บ่่ไหวไปบ่หมมมาเลือยจมนิ่งดังลูกหินตายบ่มีบ่หน้าดินดินสียวมย้ำเป็นเพียเด่นนวล พัวฟังเอ้ยนียบ่ใบเมืองน้าลวกจูดเผาดอกทังจีน้ำคนความเดียบ่เห็นพอกับมองเห็นโอ้เม็ตอนเกนินเดีนัวบ่มีไปสิซอยแก่เต็มที่แล้วเต่าพอจานนํายานลายดี ยานเดย่านได้ตานี้จากบานห่วให้ดอกหน้าสวนความ้างมวนที่เคยมีนันซอยตายบ่มีใดเห็นยายเสียมองมาและฝฟ้าน้ำตาดกไครจุม งอมใจยาหมอดโตมมาเอามาให้คอยบอกกินน้าอันเชืเวียกไก่สิสินนะแฮงเป็ี่นวางน้ํำลายน้าเสียดายเด้เสียดายเมียที่แสนหลาผููใดใดบอก้า แม่ท <iley> ่าเสียเอ้ยขันค่อยตายเจ้ายาเศร้าให้หาเอาผัวใหม่เอาจเสด็เท่าว่อยอนุญาตขอไปเอาอึดละถูกสิ่งทุกอย่างขันเจ้าบ่นยืนบ่นใหญน้าข่อยข่อยชิเข่าวทวายน้ําหลวงทอนข่อยจะไปขอบวชเป็นเมธีดูบ้าน กูบ้าน้ำเพิ่นสุขเถิดแม่สีสุขีเถิดถาประชันได้บวัวอดีตโอ้ยแม่เต่าเอ้ยพ่อได้เพิ่งอาใส่ให้แล่น้าได้ซอยเจ้าพ่อได้เบาบัดคำแลง ค่อยเพื่องหูแจดแจงตาสะบังหูใส่น้าเป็นน้าใจบ่ฟังคเจ็ดบาทตุนดอกเกินลำ จานทวงนสาแล้วจ่าเ้าเป็นความจริงโอ้หมดทุกธานาขเคยบทอ่านการศึกษากลับมาลืมนอ้อยเข้าหลวงตาเว้าพวดแม็นจริงบัดยามนอนอยุแน่นี่งามตีดกับบอนนอนกับเตียงข้าวตัวเที่ยงโอ้กับหลวงตาชีดอยากไอ ดอกใจน้อยเท่าเก <c oughs> ่าที่ตายเจ็บที่ตายเนะ <c oughs> จ้าไปนิมนต์หลวงพ่อทองสามามาดองมอนพงากดอกพันมาแล้วสีลูกแล้วสวัสดิทรามก็ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยก็อยากเห็นหนา้าหลวงพ่อทองสา <c oughs> <ผ> <c oughs> ขได้ฉลังพังผาดขวจีขอ อาโมจีกับเพิ่นเออขันจะว่าจังสั่นขอกรสีแล่นออกไปว่าจาก้ขาโอ้ โ, อโอยไปนี่โม้นมากหอ้ไข่คขวามเงามีไ่อเสิใจ่อยสีโยกหย้อถาวายสางสาลก็ตั้งหลังนีสิ ร, รับเอง <c oughs> ท่าจังสีจังหูจักเนาะฮะเฮ้ยท <c oughs> ีเป็นเจ้าภาพต้นเจ้าภาพไงเป็นต้นไงที่ตนเจ้าภาพไงยังจะผสกฉางแล้วเพราะแค่ฆ่าตายจะกี่ทียู่หันยังต่เขาทิ่ฉลองถนัดตัวสนันอาแั่นยางฉ <c oughs> างไม่ก็ได้ตัว <c oughs> <c oughs> แม่เท่าเอ้ย เงินเ n o มีความจริงเพียงไข่บ่กวางดอกแพงงามบาทงามตายบ่ดูเหาซอยหยางบ่ม so, ีใด ชาตต่อไปสิบาเป็นคือเนีส้สีขวาทํามแต่ความเดียวบ่วงที่ดอกยืมปองงามสิบาธรรมจงวางเลื่อมละควางปุตตาเจ้าสิแสนสาวยู่ sau chùa ba sau núi non đường quê đi non nay còn nàn จานบุญมีหันใจลุงดอกมอถอนขอใบก่อนดือเศ้าเฮาให้เศร้าสร้างจานบุญมีบอทีแพ้งไข่เศร้าเหลยวลาสาวมือไปจับเนี้ยแก้วอย่าลืมดือคำไข่สร้างเงินเข่าควันที่เ้าย่างมีกี่แสนดอกกี่ลานให้ท่านมวนเขาวัดวางให้เป็น บนล้นฟ้าให้เป็นคาบัตรวดตาเอนน้ำแม่เท่าเอื้อใจสิมาเป็นผัวเบิ้งดีๆเอาเดื้อเจ้าบัดเจ้าสีจังบาขุมวางเขาสิมาวางตัวมามวนมางสังขญาติเงินทุกบาททุกเบียยทวายให้หลวงพ่อสา ขวายจิไขวาชันดเอ อ, อย่าลืมด้วยถ้าบ้อังสั่นขว า, ายจิตใต้ตาบ้หลับเด็กเขาเ <c oughs> <c oughs> ่าเอ้ยไปนี่ม้วเพืน่อนัาพุ่นนำ ไปนี่มนเพื่อนคุณหน้ามาเก็บซากเผาผีคอย เ, ยเดือดเออ่อยชิบไปยู่ด้บ่มีไผมาด้วยเพื่องผ้าประสูงคุณ ละใจหัวใจมุนใจหีวห้อยจิตใจลอยมัวเมื่หันใจเปื่อบ่หอดทองเสียงห่วอื่นสั่งเมีย มันกหาใจชาชีสาวหมาจำฉันเลยปวเทาเอ๊ะทำไมคอยสดเครตเครือต้หมาบกกบานหาไมอบนบ่ลงดัเทาเอไปดเ้าถบ่อนเด้าห่เออ ก็เปลี่ยนวางเจ้ากะเดียจิตลางยบบทุนไหวน้ำตั้งใจโน้มเมือนุบใส่คุณพผุดผู้เจ้าหัวใจเบาปานโนมน่อมาง้อมดูใจเจ้าของเบื่อ หัวปางไอขาดลาดเอิรนไซแม่เาบุมีเอืบวโอ้พ่อทกนพ่อากันกนเจ้าจะเหุย่คอยเล่นเด้พ่อเถากาน เจ้าจะตายนี่แจกคนได้คนแข่งยันฟักดอกโอยเม็ดชอยบ่อย <c ười> และยายบนเสือปะข้องอมวนมาคมนมน้ำไกขความายพีลจันบนมี เ่อยหมอยก่อยเอิญเก็บบกขค้นพอเช้าเจ้ามาก็เหตหยอกคอยเด่นตั้งฉันทวบนเมรไหลม า, าฟืนเตือนเหมือนตาหันใจปาลากายนี่เ็นตายจียงเทอ าจเจียงเจียงใเท่เท่ใจบ่ขืนใจบ่ตาท่าเออ กินเห็นข้าวเป็นเบ้าเป็นสาเจ้ากระจิ๋งไยก็ะเทะน้องหว่องดอกหอมหัวห้างกันจริงหัากะดอบ่ย้อมปล่อยกันนี้เมลว์ไตเป็นเพียกานสิ้ีไปนะกันบ่อย้า เมลนาเมลมาตายเป็นเพียกันจีเนยียไปน้ำการละควมลุ่เผาเมียลสร้างมาเพีย ไปจอยพอความตายพาไปกวนละละย้ายบนสีหองบนๆให้นคื้นเอินให้เฟื่อนเหมือนเมนูหองกาเปล่าตายตกระวางคอายผัวตายจากย้ายอ้ามสาวพอย้ายโอ้ยแล้วสียดีสืล ก็เม็นผัวบ่เคยตายบ่กคนแล้วเลือเจ้าค้าม้นกายจับแล้วสันพอเถ่าว่าใจย ว่าใจย้ายนั่นมวลปันหันเล็กว่าเบิกใสหลังหนาเอิ่นใส่กนพวกเมยย้ายพอส่วนคนนั้นอยู่เตี้กันมาซอยฉันเดือดรุ่พวกหม้เอาอาถา เท่าจันไตล้มหมดเร็วเลือดเจ็กายสังขารอยู่ควางให้มาซอยเป็นมัวซอยสรงอาบนามหําเข้าใส่กะโลุยหญ่บนสวยได้กก่อมขมามก่อนเก็บสมผัวพี่น้องอ เท่เอ้ยยาได้มาหลักสิ่งของท้องแก้วลามีเนื้ได้ดเมียได้เพนไปแล้วความขมัยังโทษเสบัทบ้องหัวถงเท่าอันบ่เถิงเาเสียงได้มีได้รวนเหลืองถือปากถือคำจะใส่รจองอาเบจจองอ เงินที่มีสิท่านสร้างเหตามคำที่เจ้าสร้างอยากได้ยังกินยงให้เจ้านั่นอย่ง้ยงง้งสุกรรมกรรมเขาดอกสุฟันละละย้ายบุญสีสัำกับคนปากอัลตันหูเฝ้าบ่มีเสียง เพียงแต่ตายบัทันเผานันเมียนเห้านอนนี่มาเจ้าเนียไปเผาแล้วหลังคาเสียเปล่เปล่าล้สาวบ่เห็นเ็นบ่พอสิลงห้องจังคู่บัวล คบ๊สบยต่างบสวยให้เศร้าตายมเงินหลเป็นกองกับบ่อพงให้ดิบแอบาน จบบ้าปอนยาเสเพหัวไปยามีใส่ให้แบ่งทาอย่าได้เค้นเธอทานมีเงินมากสิเศร้าตายจายบนบุมีพวกหลายก็เราตายเห็นเบือ ความให้สาธุส้นเสื อ, อย่เลืมตายไกลเกล่ความให้คิดยริบังเนียวันและคืนยุอย่างสำคัญนั้นกระดังเดียวหันมาเบ้าเข่าเขี่ยวบอนเผาสากจันบนนุญ มาเผาเพียน้ำกันย่าเสเสซ้ำเล่าเดิมละเล่านั้นเพิ่อไปเข้าขังงานความหลังบ่ต้องเก่าสาวไปดนยังยืดเจือเอสิคอยแต้มดอกบอนลายละเส้นเด้เพียนดองอายแม่ยา ย, ยาย ละแม่ทำบุญแลวเผาเพียซ้อยกันให้มันเล้วอันว่างันขั้นเก้วมีแนวได้เิยน้อมอบสางสละวัดนันให้มันเล้ววัดทั่วกันน่ะในมโนเดือดหลวงพ่อท่านยาคู่ท่านจันท้องสาอย่าถือสาจันบุญนี้ที่ได้เป็นไปแล้วนะ แน่าได้ไมเแล่ากระพรอนยอมทำตามตั้งแต่ก่อนละโยมกําลังเลือดหล่อนให้ขอถอนดอกพันเบาหลวงเพ่อหลวงพ่อจอดให้เสิล่าทั้งบุญเดิมน่ะเอาไว้พันให้แก่กานผู้ทิ่ตายไปแล้วละยอมหมดแดวสิจะบ่าวตัน้งขออันจน จอันจนลอมลายอมาใส่หลวงพ่อขอคนนปดซอยบางซ อ, อยบางสิไป็นบ้นจางได้สั้นดอกน้ำถ้าขอ หลวงพ่อทานให้ส huh. ิเราทั้งบุญเนเด้อกุจะลาไหวพรอบให้แกจันพผู้ตายแล้วในถอนพุกขาอ้าวอ้าวอ้าวเมนตายเด่นหรือเมนตายอีดีเนาะจารย์บนมีบ้านนี้เลยหลวงพ่อเอ้ย ก็ายอีหดีน่านะายแบบมา้อยมาแนงมับตายแบบก็หันหมกหันใจผ y พุ่งด่ายจเจ็บาจจุตายจบกับตายบกฟื้นตายเงียแกเชียงเทในนอนดับผุขาายขาดไตอีหดีวานอ บ้านจิตายเป็นคนเก่งตายเป็นอยู่ตียมไม่ไหนหลวงพ่อเอ้ยก่อนเล่าชีตายเล่านั่นก็ได้ช้ำหนักแล้วนะแล้วจังบางเงินที่มีหลายแสนสี่หม้อย่อหมอบมวนส่างชาลาน้าเพลินหลวงพ่อวัดฉันเด็กผู้ขาโอ้สิ่ย่อมวนส่างน้าหลวงพ่อตี่อีหลานยมเอ้ยอาตมาเพียงแต่เบาเด่นซื่อดอกโปรดถือเป็นจริงเป็นจังดอก สว่สสวน Cold, ที่เสียกะหากมีสว่น <God. S 2> วนสี่สัวกะหากผอมเรื่องจ <s and suggestions> านนั่นโบได้ถือดอกอันโยมไม่ออกเอ้ยโดยขอพอค้นหวังตาเจ้าที่ไม่ใจอันประเสริฐผูเขาขอรับใส่ต่างเท่าชวงเมื่อเด้อเจ้าข่าอย่าถือสาหาความเด้อขอในบ่นหลวงตาเแ่าไปให้กุศลธรรมมาแล้วในภูเขา อันบ่าแม่นชีอันตายใส่กุกชะลาแล้วกะเก้ออกม็จีมะเผาเหมียนชี่อวลาอากากชดฉันก็ผู้ขาโอ้อันจังสันติโยมเม่อัน บุญศรีเอ้ยเออเราสร้างใหม่มาให้เงินอันที่ออกใส่ซาลาสันบ่อยโยเม่จปดชั้นละเออเงินแล้วฟังใบไต่รางเหล่ากับทั้งไต่หัวทั้งหัวเฮื่อนแล้วก็บอกไอ้ผู้ขาไปก้นเอาเออเอออามาถวายสั่งซาลาสั่งน้ำพนหลวงพอบาดเดสันดอกเออเอาเอาบ่เป็นยังสั่นกันสั่นกัตามเราต่างใจนอเด้อผูกขาดเจ้ากัญญาห้องจะให้เจ้าจะโศกจะเสาเด้อ บ่ได้เจ้าดอกนำตามันออกซชื่อๆชอโอ้เจ้าว่าว่าจังไหนต่อผู้ขาขอรับอศัยตางเถาสว่างมือว่าตีบังหันเมร์มามาเบาปิดแต่อยากได้มาเบาปิดแต่มาอยู่ไก่ๆน้ำเถไม่เห็นให้ไสหน้าน้ำกันเทโน่มาคือเบาไปจังฉันนอกว่าจัจ้ีสลไะไม่ออกบุญสีเถาห้านั่นยงชังโยว่าข้าเสียเอาผัวก็ให้เบิ้งคัก เบื้องบอได้หละล่ะโยมแม่เบิองคาดไปขั้วข่าขียากะจะเอาเด้อว่าฉันวะเออแล้วก็ฮวงเจ้าสนอพอจันบุญมีอันนี้คือเฉ่ยวขี่าขี่ยากะคือเ่เป็นตะเอาอยู่ตูขาว่า้าอ้าวเจ้าวาเถงไผนอละแม่บุญศีเอ้ย เออเบาเพิ่งไปรืเปล่าเบานึกหันโอ้ยอีกเบาไปทั่วหมดละจะเฉมาถือสาหาความคนกับลังเมฆความถูกความเฉาถอดหนึ่งว่าเราเจ้าแห่งเบาเบีงเียงมาสรางข่อยสันดอกนึกว่าจะาเบาจังสั่นันดอกอจ่าจะเข้าใจ่ายฟิตรื้ออันอันทีต้องพอเบาสูฟังนั่นเบ๋ออันนั่นบ่เออบ่แต่หมายความว่าจังสันดอกจะได้มาอยู่ไก่ก็บขี้เจะอยากได้เจ้านี่ มาบวชเป็นเมซี่เจ้าคือสีดีซันดอกเฮทไทยไซน่านันโบว์เฮทไทยนาไซน่าคือหน้าเข่าหน้านามดอกหน้าหนึ่งคือหน้าบุญซันเด้ยม่ม่นใหญ่บุญสีแชมเออสันหลกจับบแต่ว่าเชอร์ไฮมัสโยแบบนั่นเนาะบอบบอบอกบอักเฮจะว่าเฮอยเฮอยู่นี่บอ๊บคอยบอ๊บให้เจ้าเศ้าเราซื่อดอกอ้าก็จะว่าผู้ขาแต่คุว่าออกหันละเอาในม้อนครับผู้ขาอสิีเทนสูฟังเดอไม่ออกบุญสี เดือหัวความเจียงจนหมอเสีนได้ยินกันบ้างเดือบไปอ้ยไผ่ผูหงไผยผู้ใสไผ่ผูม้วมเอิดกลุ่มผาตัมเจ้าซองบ่อเถืงนี่ล่ะอ้ยไผบ่อท่านหัวซึ่งในรถของคำสอนยาสินนลลับไหลบัดเมื่อสายบัดต่นเกมดเดืนทางไก่ ไปเบิ่งไปให้มั่นจนถึงมองเห็นได้ดอกไปเงินนะโอยยาสีม้วนเตนําเฮือนเพียนน้ำเงานบัวหูนันบางยังฟังบางยังนับฟัง และเพิ่นเฮ็ดยังตัวบ่ตั้งเอาใจใส่บ่หัวซาผู้ใดมาบ่สนใจต่อผู้ใดดอกมาบ่อวอและเมาน้าตนจนดืิมบ้านและเมา่น้ำซ่านจนดืิมหมูโอ้ยเพื่อนเฮ็ดยังบ่รับลูเราหูนั่นบ่รับฟังเออแล้วบาดีเพื่อนเฮ็ดยังบ่รับดูค่อยเเบาดาปจันะ ถ้าเป็นคนที่เรือด่านบ้านเพิ่นอยู่สามมาคีเพิ่นทำดีเพื่อสังคมโดดบส่สนสิไปร่วมสร้างแต่ความรวยเหล้าสาวหาแต่ทั้งเดือนบัดตัวเองโดดบ่อเตือนนึกว่าดีโดดฝ้าบินขี่ได้ว่าดังเกียร์บ่อมีความเบื่อเฟือเ่อเผยแผ่นนอนเจือจันตัาจัดว่าเป็นคน่านดังเต่าจานผู้ตาย ่เมียเล่าดีเกินสร้างทำท่านบังปะายวดวัวทำโทษขอไรไผ่นั่นกระบ้ดูม่ะโวยเล่าเป็นควายบากตู้ที่เกินขาดได้พันดวงใจบ่อตรงในขอ้งทำได้กำดำมองไม่หนแหละคไว้เกินไถ่ให้เกินหมอขอเกินข้อได้ยินบัวอ้ยขอบ่ดังขาดดู โศกคนนั้นบ่อนับถือและแม่นสิวอยู่ยังมือจนข้อแตกข้อพงอ่งกงข้อขันคือนกไก่กาจนเสียงรามเคยดีมากับทําชัวมาเริ่มตัวเอาตอนแก่และแก่บ่ลุกปูุกบ่ขึ้นสิมาฟื้นบัดหมอตาย ละจานบุญมีเกิดโอกลายมาไต่ก่อนนอเจอปัญหาละเผยบ่ามาแลดูบัดเมื่อสั่งขารลมล ะ, ละคิดแล้วสมนำนาแต่ยายสีนั่นดีอยู่ได้มีหมูม้าซอยเหมียนดาเผาร่างว่าแต่งท่านว่าแต่งละท่านละได้ทำบุญอยู่บ้านอุทิศวันกุศลหาละทางสาร สมทบตั้มตังหนึ่งแสนเป็นทุนตังละละโย้มผัฟังยาวเอาอยื่องจานบุญมีคว้ยเดินขาด ปาดเดิ่มดงคือจังเบาเดียวสีเซาบาดเมื่อตายบตดนี่จบวันไทยมาหน้าห น, าหนาจานบุญมีผู้ได้ดีกาีไปยาได้เป็นคืนเนี่ยเราพ่อากาวีป่พันเนืองนี่ท่านดีมีประโยชน์โทษผู้ทำผู้สร้างเป็นทางอ่างดอกเครื่องไม้เ้วขอบอกพี่น้องไอายเมย้ยายย า, ยยาย อ, อย่าเลื่มดงได้ยายดื้อ โอ้ยให้เดินตรงไปตามคองวันที่ดีบางไว้นลักไว้เดินไทยป่าเดินคองละคองเคยเที่ยวเดี่ยวสี่าดปาดดืมคองพุทธเจ้าเดี๋ยวสีเศารังเที็นนะละทางเคยเที่ยวเจ้ายาววินเดิอยุ่มพอทิสุมเป็นจานนะให้เป็นพนัน ร้องรับเกลููกหลานไปทางนาส่วนบัดว่าเป็นฐานตั้งหนทางดีให้เจ้าก่อเดิอยมพ่อได้ยมเมียอุ้ยสร้างความดีบ่แม่นก่อเหตุลายหม่ยมางดอกวัลละว่างดอกวัลลาว่างเง้ยละเออแล้วบัดนี้หยุดกันไว้ก่อนเถิดนาเวลามอมาพอดีและยายบุญสีลเราทำบุญได้ทรง วิญญาณให้อาตมาขว้าไว้จบพอดีฤาษีนาทีน่นลาเอาลอโนอันนิทานวันนีส้สันสิไว้ดอกลาพักบังบะคงป่าจักด่างล่าที่ฉันแจีงและในตอนนี้ลานจันสวีใช้ที่ขอเอื้อนลาบอนบอนบนบนละบอนบอ น, บอ น, บอ น, บอนขอลาโยมทุกทุกทานไว้หลานลาน เจสังลาลานาลาพะยุมวยญมเจ้าเมฆายุ